ประพชากถาว่าด้วยการบรรพชาเรื่องยสะกุลบุตรข้อ25สมัยนั้นในกรุงพาราณสีมีกุลบุตรชื่อยสะเป็นลูกเศรษฐีเป็นผู้สุคุมารชาติยสะกุลบุตรนั้นมีปราสาทสามหลังคือหลังหนึ่งสำรหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับ ฤดูร้อนหลังหนึ่งสําหรับฤดูฝนย ะ, ะกุรบุตรได้รับการบําเรอด้วยดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนตลอดสี่เดือนอยู่บนปราศาสตฤดูฝนไม่ลงมายัางปราศาสตรชั้นล่างคืนวันหนึ่งเมื่อย ะ, ะกุรบุตรได้รับการบําเรออิ่มเอ้มเพียบพร้อมด้วยกามคุณหได้รับไปก่อนฝ่ายบริวารชนได้รับภายหลังตะเกียงน้ํามัน ถูกจุดสว่างทั้งคืนคืนนั้นยาสากุลบุตรตื่นขึ้นก่อนเห็นบริวารชนของตนกำลังหลับบางนางมีพินอยู่ใกล้พระแครบางนางมีตะพลอยู่ข้างคอบางนางมีโปงมังอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางน้ำลายไหลาบางนางละเมอเพ้อไปต่างๆปรากฏดุดป่าชาผีดิบ เพราะได้เห็นโทษจึงปรากฏแก่ยะสะกุรบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายยสะกุรบุตรจึงเปล่งอุทานขึ้นในขณะนั้นว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอท่านผู้เจริญที่นี่ขัดข้องหนอครั้งนั้นยะสะกุรบุตรจึงสวมรองเท้าทองเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยคิดว่า ใครๆอย่าได้ทําอันตรายต่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะสักุลบุตรลําดับนั้นยะสะกุลบุตรได้เดินต่อไปยังประตูเมืองพวกอมนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยคิดว่าใครๆอย่าได้ทําอันตรายต่อการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะสักุลบุตรหลังจากนั้น ยสะกุลบุตรจึงเดินต่อไปอยังป่าอิสิปัตนะมรุคทายวันข้อ26ครั้นราตรีย่ำรุง่งพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมอยู่ณที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยาสะกุลบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงเสด็จลงจากที่จงกรมประทับนั่งบนอสนะที่เขาจัดไว้ขณะนั้น ยศ ะ, ะกุลบุตรได้เปล่งอุทานขึ้นหน้าที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอท่านผู้เจริญที่นี่ขัดข้องหนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับยศ ะ, ะกุลบุตรนั้นดังนี้ว่ายศ ะ, ะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยศ ะ, ะจงนั่งลง เราจกแสดงธรรมแก่เธอลำดับนั้นยาสากุลบุตรราเริงเบิกบานใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องจึงถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพิกาคือทรงประกาศ 1>, 1ทานกถาเรื่องทาน 2. ศิลกถาเรื่องศีลสามสักขกถาเรื่องสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาเรื่องโทษความต่ำทรามความเศร้ามองแห่งกรรม 5. เนคคำมานิสังสกถาเรื่องอนิสง์แห่งการออกจากกรรมแก่ยศะะกุลบุตรผู้นั่งอยู่หน้าที่สมควรเมื่อทรงทราบว่ายศะะกุลบุตรมีจิตควรอ่อนปราศจากนิวรณ เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคธรรมจากสูอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแกะ่ยักษกุลบุตรณอาสนานั้นแลวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา